ตอนที่สิบเจ็อนุภาพแห่งหงโโห้นับจากนี้ต้าอาวีจะต้องเกิดพายุโหมกระหน่ำเป็นแน่บรรยากาศภายนอกตําหนักโซ่ของนั้นวุ่นวายสับสนหันชิงที่ยืนอยู่เบื้องหน้าฝูงชนมองเห็นภาพเหตุการณ์ตรงหน้ามือที่ปล่อยวางอยู่ข้างลำตัวกําแนนพางรําพึงในใจอย่างเงียบเชียบในฐานะแม่ทัพใหญ่จิ้นจวินขุนนางผู้ทรงเกียรติแห่งต้าอาวีและขุนศึกที่จักรพรรดิเวิร์นแท้จงทรงไว้วางพระราชหายมากที่สุดทวายามนี้เขากลับมิอาจทําสิ่งใดได้เลยความรู้สึกอัดอัน้นต หลังจากที่อ่องทั้ง3คือชูหงชูเปียวและชูจิวิงก้าออกมาถวายดีกาและหลังจากนั้นไม่นานพระเสานีของซานโฮก็ถูกประกาศออกมาหานชิงสัมผัสได้ถึงสายตาหลายคู่ที่คอยรอบมองมาที่เขาเป็นระยะสายตาเหล่านั้นมีใช่ใครอื่นแต่เป็นเหล่าแม่ทัพจิ้นจวินอย่างสวีหวยุยซุนปินตงฟางหลันและจิ้นชัวนในยามที่สายตาของทุกคนจับจ้องไปยังราชสำนักฝ่ายในหน่วยจิ้นจวินแห่งต้าอวีที่รับผิดชอบการอารักขาพระราชวังกลับเกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับสูงขึ้น เนื่องจากสิ่งที่หานชิงได้ทำลงไปนั่นคือการเชิญเป่าก่อกงและอ่านกว๋วกลงที่พักรักษาตัวอยู่ที่จวนให้เข้าวังมาซึ่งทําให้การขับเคี้ยวของขุมอํานาจฝ่ายต่างๆเกิดตัวแปรขึ้นหานชิงนั้นจงรักภักดีต่อต้า อ, อวี่หากมิได้รับความไว้วางพระราชหายจาดจักรพรรดิเวิร์นให้จงใต้ล่าคงนี้มีผู้ใดรู้จักชื่อของหานชิงดังนั้นเขาจึงมีปรารถนาให้ต้าวีเกิดความผันผวนใดๆทว่าเรื่องราวกลับมิได้ดําเนินไปตามที่หานชิงคาดการไว้ จักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์พาระหนักอึ้องพันช่างแห่งตาอาวีนี้ท่านจะแบกรับไหวจริงหรือจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์ท่านคงมิทำให้พระเกียรติอันปรีชาสามารถของจักรพรรดิเวิรนไท้จงต้องโมหมองใช่หรือไม่ฮันชิงที่จมอยู่ในห้วงความคิดอันหลากหลายท่าสายตาผ่านฝูงชนที่วุ่นวายตรงหน้าไปยังชูหลิงที่ยืนอยู่บนบันไดหินร่างกายที่ผอมบางและใบหน้าที่ยังเยาว์วัยนั้นทำให้หานชิงเกิดความลังเล ข, ขึ้นมาวูบหนึ่งว่าทางเลือกที่เขาทำลงไปในตอนแรกนั้นสำหรับต้าอาวีและมันถูกกหรือผิดันแน่ หากมิใช่เพระเขาจะนําไปสู่ตัวแปร ى, ที่มากขึ้นบางทีต้าอาวีคงมิถึงขั้นต้องรีบร้อนสถาปนาเด็กน้อยผู้หนึ่งขึ้นเป็นจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์เช่นนี้ฮันชิงรู้ตัวว่าเขาประเมินท่าแท้ของมนุษย์สูงเกินไปและประเมินความรักความผูกพันในราชวงศ์สูงเกินไปเช่นกันม่รู้ด้วยเหตุใดในส่วนลึกของหัวใจเขาจึงหัวหาช่วงเวลาที่เคยสังหารศัตรูอยู่ในกองทัพชายแดนยิ่งนักเพียงแต่เขารู้ดีว่าทุกอย่างมีอาจหันคืนกลับไปได้อีกแล้วเฮ้อ ท่ามกลางฝูงชนยังมีอีกหลายคนที่คิดเช่นเดียวกับฮานชิงอานกว่ากงชางหลีผู้มีนิสัยมุทะลุ ด, ด่งไฟเมื่อเห็นว่าพิธีเส้นไหว้น้าลงศพลวงของต้าสิงฮ่องเต้ต้องวุ่นวายสับสนเพียงเพราะการปรากฏตัวของอองทั้ง3เขาก็มีอาสกดกลั่นความโกรธแค้นในใจได้คิดจะก้าวออกไปตำหนิทว่าเป่ากวงจงชวนที่ยืนอยู่เคียงข้างกลับคว้ามือเขาไว้แน่นชางหลีพยายามสะบัดออกหลายครั้งแต่จงชวนก็ยังคงยึดไว้มิยอมปล่อย ช่างหลีคิดจะเอ่ยปากถามแต่เมื่อเห็นใบหน้าอันเย็นชาของจงชวนโดยเฉพาะดวงตาที่แสงไปได้วยความเยือกเย็นคำพูดที่ติดอยู่ที่ริมฝีปากของช่างหลีก็มิได้ถูกเปล่งออกมาเพราะทุกครั้งที่จงชวนมีสีหน้าเช่นนี้ย่อมปเป็นยามที่ต้าอวี๋ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกรง่งและจงชวนมักจะมีบทบาทสำคัญยิ่งในสถานการณ์เหล่านั้นเสมอจิตใจคนเริ่มระสมระสายแล้วสินะ ตาสิงห้องตี้เสด็จสวรรคตรอย่างกะทันหันตาอาวี๋ก้าวเข้าสู่ระเบียบการเมืองใหม่ที่มีซานโฮและหนึ่งจักรพรรดิการอย่างเชิงเช่นนี้มีว่าจะมีจุดประสงค์ใดก็มีอาจทําลายการประกาศอนุภาพของซานโฮได้มีเช่นนั้นต้าอาวี๋จะเกิดความขัดแย้งภายในอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับความโกรธของช่างหลีแล้วแม้จงชวนจะโกรธแต่เขากลับมีสติมากกว่าเพราะเขามองเห็นความผิดปกติซึ่งความผิดปกตินี้เริ่มแสดงออกมาให้เห็นในหมู่เชื้อพระวงเป็นอันดับแรก จักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์งยงยไวนกมิมีผู้ใดเห็นเขาอยู่ในสายตาทุกคนต่างคิดว่านี่เป็นเทียงการประนีประนอมของฝ่ายต่างๆที่รีบร้อนผลักดันชูหลิงขึ้นมาเพื่อรักษาความสงบของสถานการณ์เท่านั้นเมื่อใดที่บรรลุจุดประสงค์ของแต่ละฝ่ายเมื่อนั้นชูหลิงก็จะหมดคุณค่าจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์ที่ไร้ค่าและยงยาวยจะมีจุดจบเช่นไร หากจักรพรรดิผู้สืบรชาชสันติวงศ์ต้องเสด็จสวรรคตอย่างกะทันหันอีกครั้งหรือถูกถอดถอนเมื่อนั้นเกียรติภูมิของต้าอาวีคงต้องพังทลายลงด้วยตนเองจงชวนที่จมอยู่ในความคิดอหลากหลายมีได้มองไปยังฝูงชนที่วุ่นวายตรงหน้าเช่นกันหลังจากที่เขามองไปยังจักรพรรดิผู้สืบรชาชสันติวงศ์ชูหลิงครู่หนึ่งดวงตาอลุมลึกของเขาก็จับจ้องไปยังตําหนักโซ่ห่วงดูเหมือนซานโฮเองก็มองเห็นจุดนี้แล้วจงชวนรำพึงในใจ ซานโฮหากพวกท่านปรารถนาจะรักษาเกียรติภูมิของต้าวิไวทุกอย่างย่อมเจรจากันได้แต่หากคิดจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนจนทำลายเกียรติภูมิของต้าอวีแล้วก็จินจะวินอยู่ที่ใดในขณะที่จงชวนกำลังครุ่นคิดเสียงตวาดอันทรงพลังของสตรีผู้หนึ่งก็ดังขึ้นสายตาหลายคู่พลันจับจ้องไปยังต้นเสียงบรรยากาศที่เคยสับสนวุ่นวายพลันเงียบสงดลงทันทีเป็นนางหรือ ชูหลิงที่ยืนอยู่บนบันไดหินมองตามเสียงไปเห็นสตรีในชุดไวชุกยืนอยู่หน้าตําหนักโซ่ห่วงคิ้วของเขาเขามวดเข้าหากันเล็กน้อยสตรีเบื้องหน้าผู้นี้ก็คือห่วงโฮหวังซิ่วแห่งราชการปัจจุบันผู้เขาใหญ่ลูกแรกปรากฏตัวออกมาแล้วชูหลิงรำพึงในใจขณะที่มองเห็นหวังซิ่วชัดเจนรูปลักษณ์ของสตรีตรงหน้าซ้อนทับกับคนในความทรงจําของเขาเพียงแต่เมื่อเทียบกับความอ่อนโยนในความทรงจําแล้วยามนี้นางกลับดูเย็นชา ย, ยิ่งนักความเย็นชานี้เป็นความเย็นชาที่ผลักไสผู้คนให้ออกห่างไปไกลนับพันลี้ ดูเหมือนว่าการเสด็จสวรรคตรอย่างกระทันหันของต้าสิงห้องต้จะส่งผลกระทบต่อหวงโฮหวังซิ่วไม่น้อยเลยจิ้นจะวิ่งอยู่ที่ใดในขณะที่ชูหลิงกําลังครุ่นคิดเสียงตวาดของหวังซิ่วก็ดังขึ้นอีกครั้งหานชิงสวีหุยสุนปินตงฟางหลันและจิ้นชวนที่ต่างคนต่างมีความคิดในใจเมื่อเห็นดังนั้นก็พากันเดินออกมาจากฝูงชนยามที่หวงโฮหวังซิ่วปรากฏตัวพวกเขาต่างมิคาดคิด ดังนั้นเมื่อนางตวัดเรียกแต่ละคนจึงม่ได้ก้าวออกมาทันทีแต่กลับกําลังรออยู่รอใครเรื่องนั้นคงไม่ต้องเอ่ยให้มากความในยามนี้หน่วยจิ้นจวินแห่งต้าอาวีนอกจากหานชิงที่เป็นกลางแล้วผู้นําระดับสูงคนอื่นๆต่างก็แบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายกระหม่อมอยู่นี่เหล่าผู้นําระดับสูงของจิ้นจวินที่มีหานชิงเป็นผู้นําปรากฏตัวขึ้นในสายตาของทุกคนพวกเขาประสานมือคํานับไปทางหงโห o หวังซิ่วจงจับกลุมพวกเขา หงโฮหวังซิ่วยืนอยู่หน้าตําหนักโซ่หวงกอดสายตามองลงไปยังฝูงชนเบื้องล่างพางเอ่ยอย่างเย็นชาลงศพลวงของต้าสิงห้องตี้ประดิษฐานอยู่ที่นี่แต่ละคนกลับบังอาจล่วงละเมิดกฎมนเทียนบานและราชาประเพณีเช่นนี้ในสายตายังมีราชาสำนักมีกฎหมายบ้านเมืองอยู่อีกหรือไม่ผู้ใดควรถูกกักบริเวณก็จงกักบริเวณผู้ใดควรถูกจับกุมก็จงจับกุมทั่วบริเวณเงียบกริบช่างเป็นสตรีที่องอาจมีแพ้บุรุษจริงๆ ชูหลิงได้ยินสิ่งที่หวังซิ่วกล่าวพลางมองไปยังฝูงชนหน้าตํานักในใจอดมีได้ที่จะเกิดความเลื่อมใสหวังซิ่วให้ความรู้สึกราวกับเป็นจักรพรรดินีก็มีปานนามีความคิดที่จะดูแคลนทุกสรรพสิ่งทว่าสิ่งที่นางใช้เป็นที่พึ่งพิงคือสิ่งใดกันชูหลิงเริ่มครุ่นคิดหวังรุ่ยบิดาของหวังซิ่วเป็นอัครเสนาบดีฝ่ายขวาแห่งสำนักจงซูนั้นเป็นเรื่องจริงและเบื้องหลังยังมีตระกูลใหญ่แห่งเจียงหนานคอยสนับสนุนตระกูลหวังมีฐานะสูงยิ่งในกลุ่มอําานนจี้ แต่ต้องมีลืมว่าในสำนักจงซูยังมีอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายอีกผู้หนึ่งซึ่งต้าอาวีถือเอาฝ่ายซ้ายเป็นใหญ่สวีชูมีได้เป็นเพียงอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายเท่านั้นแต่ยังเป็นขุนนางฝ่ายพลเรือนเพียงผู้เดียวของต้าอาวีที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นกัวกงและตระกูลสวีก็เป็นตัวแทนของเหล่าตระกูลขุนนางแห่งกวนตงคำสั่งของหงโฮพวกเจ้ามีได้ยินกันหรือเสียงหนึ่งดังขึ้นทําให้ทุกคนในที่นั้นสั่นสถานชูหลิงมองตามเสียงไปนี่คืออีกบุคคลหนึ่งที่เขาต้องพิจาารณา่หหงุหหหลี ยามนี้มีเพียงชูหลิงที่กล้ามองส่วนคนอื่นๆต่างพากันคุกเข่าลงกับพื้นหมดแล้วชูหลิงดึงสติกลับมาอย่างรวดเร็วเพราะเขาพบว่าสถานการณ์เริ่มมีชอบมาพากลสุลหลีปรากฏตัวออกมาแล้วแต่ผู้ที่คอยประคองนางอยู่ข้างๆกลับเป็นหวงเท้าเสวีเจิร์นาที่เกิดขึ้นนี้อย่างน้อยก็เหนือความคาดหมายของชูหลิงทหารเชิญพระโอรสองคโตพระโอรสองค์ที่สี่และพระโอรสองค์ที่ห้ากลับจวนจงจับกุมพวกเขาทั้งหมด และเมื่อซุนหลีกับสวีเจินปรากฏตัวออกมาตามลำดับสวีฮุยซุนปินและคนอื่นๆที่เคยลังเลอยู่ก่อนหน้านี้ต่างก็เลิกลังเลทันทีและพากันตะโกนสั่งการเสียงดังลัน่นคนผู้นี้คือใครกัน สายตาของชูหลิงมองไปเห็นคนหลายคนที่ยืนอยู่ข้างหลังหันชิงต่างพากันออกคำสั่งโดยมิได้สนใจหันชิงเลยแม้แต่น้อยชูหลิงรู้ว่าหันชิงคือแม่ทัพใหญ่จินจวินแต่เขากลับมิรู้ฐานะที่แท้จริงของหันชิงจะว่าไปแล้วก่อนที่จะมาเป็นจักรพรรดิผู้สืบรชาชสันติวงศ์ชูหลิงพอจะรู้สถานการณ์อยู่บ้างแต่เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวังวิ่นั้นมีหลายเรื่องที่เขามีอาจล่วงรู้ได้